ุทพจน์ต่อไปนี้แม้จะมีได้ระบุลงไปว่าเป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของกัลายาณมิตรโดยตรงแต่ก็ควรถือว่าเป็นคุณสมบัติประกอบของกัลายาณมิตรได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมะอกประการยอมเป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น ธรรมะหกประการนั้นเป็นฉไหนกล่าวคือภิกษุ 1. เป็นผู้มีความเข้าใจรวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. เป็นผู้ทรงจำธรรมะที่สดับแล้วได้ 3. เป็นผู้พิจารณาความหมายใจความของธรรมะที่ทรงจำไว้ได้สี่ เข้าใจความหมายคืออัถฐะเข้าใจหลักคือธรรมะดีแล้วปฏิบัติธรรมถูกหลักบาลีว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนปฏิบัติธรรมข้อย่อยคล้อยแก่ธรรมะหลักใหญ่คือปฏิบัติธรรมถูกตามหลักการและความมุ่งหมายของธรรมะนั้นๆ 5. าเป็นผู้มีวาจางาม กล่าวกัะยาณพ์ประกอบด้วยถ้อยคำอย่างชาวเมืองสละสลวยจาาชานทำให้รู้เนื้อความจ่าแจ้ง 6. เป็นผู้สามารถแสดงธรรมะชนิดที่ชี้ให้ชัดชวนให้ปฏิบัติเราให้กล้าลุกให้ร่าเริงได้แก่เพื่อนปรมจารีทั้งหลาย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 บุคคลที่มิควรเสวนาไม่ควรครบไม่ควรหมั่นเข้าหาเป็นชไหนได้แก่บุคคลบางคนเป็นผู้สามกว่าโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาบุคคลอย่างนี้ไม่ควรเสวนาไม่ควรครบไม่ควรหมั่นเข้าหานอกจากจะเอื้อเอ็นดูนอกจากจะอนุเคราะห์ 2. บุคคลที่ควรเสวนาควรครบควรหมั่นเข้าหาเป็นชไหน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 การสนทนานั้นก็จะเป็นความพาสุขของเราด้วยเพราะเหตุนั้นบุคคลอย่างนี้จึงควรเสวนาควรครบควรหมั่นเข้าหา 3. บุคคลที่ควรสักกร า, าระเคารพแล้วเสวนาคบหมั่นเข้าหาเป็นฉไฉนได้แก่บุคคลบางคนเป็นผู้ยิ่งกว่าโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญา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 จึงควรสักการะเคารพแล้วเสวนาคบหมั่นเข้าหาพึงสังเกตในข้อความว่าโดยบุคคลพวกที่หนึ่งซึ่งไม่ควรครบนั้นมีหลักการครบหาที่ควรย้าว่าอีกอย่างหนึ่งว่าตามคำสอนทั่วไปซึ่งได้พบกันอยู่เสมอนั้นท่านไม่ให้คบคนเลวซามแต่ท่านก็แสดงข้อยกเว้นไว้ด้วยว่า ควรจะคบต่อเมื่อเป็นเรื่องของเมตตากรุณาในเมื่อจะช่วยเหลือเขาอย่างไรก็ตามกูที่คิดจะไปช่วยเหลือเขาอย่างนี้ก็ควรพิจารณาความพร้อมของตนให้ดีก่อนด้วยคําสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติของมิตรดีนี้บางแห่งมุ่งเน้นประโยชน์ในระดับทิฏฐ ธ, ธรรมิกถะหรือทิฏฐธรรมิกถะ เชื่อมกับสัมปรายกัตถะเช่นเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมในสินค้าและกัะสูตรดังความว่าดูก่อนขหาบดีบุตรคนสี่พวกเหล่านี้พึงทราบว่าเป็นอมิตรเป็นมิตรเทียมคือคนปลอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชวนชิบหายพึงทราบอมิตร ผู้เป็นมิตรเทียมชนิดปอกลอกโดยฐานหน้าสีึ่งเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยอมเสียน้อยหวังจะเอาให้มากตัวมีภัยจึงจะมาช่วยทากิจของเพื่อนคบเ พ, นเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวพึงทราบอมิตรผู้เป็นมิตรเทียมชนิดดีแต่พูดโดยฐานหน้าสี คือดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศัยดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศัยส่งเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้เมื่อเพื่อนมีกิจอ้างแต่เหตุขัดข้องพึงทราบอมิตรผู้เป็นมิตรเทียมชนิดหัวประจบโดยฐานนาสีคือเพื่อนจะทำชั่วก็เออเพื่อนจะทำดีก็เออ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 ดูก่อนข้าบดีบุตรคนสี่พวกเหล่านี้พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจงามคือมิตรอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรแนะนำประโยชน์มิตรมีใจรักพึงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดอุปการะโดยฐานะสี่คือเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน เพื่อนมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้เมื่อมีกิจจำเป็นช่วยออกซั์ให้เกินกว่าที่ออกปากพึงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดร่วมสุขร่วมทุกข์โดยฐา น, นาสีคือบอกความลับแก่เพื่อนรักษาความลับของเพื่อนมีภัยอันตรายไม่ละทิ้ง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 พึงทราบมิตรผู้มีใจงามชนิดมีใจรักโดยฐา น, นาสีคือเพื่อนมีทุกพลอยไม่สบายใจเพื่อนมีสุขพลอยแช่มชื่นยินดีเขาติเตียนเพื่อนช่วยยับยั้งแก้ให้เขาสรรเสริญเพื่อนช่วยพูดเสริมสนับสนุน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 เมื่อเพื่อนสิ้นไรไม่ดูมินหลักที่นับว่าเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับมิตรก็คือคำสอนในเรื่องทิฏ6ที่ว่าดูก่อนข้าหาบดีบุตรมิตรและเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นเหมือนทิฏเบื้องซ้ายอันกุลระบุรพึงบำรุงโดยฐานะห้าคือทานให้ปัน ปิยาวาจาพูดอย่างรักกันอัถจริยาทำประโยชน์แก่เขาสมานัตตาเอาตัวเข้าสมานอาวิสังวาธนตาพูดขานไม่คลาดความจริงพึ่งสังเกตว่าข้อปฏิบัติสข้อแรกก็คือหลักที่เรียกว่าสังหาวัตถุสีประการนั่นเอง สังฆะวัตถุนั้นเป็นหลักการสงเคราะห์หรือหลักการยึดเหนี่ยวน้ำใจคนและประสานมูชนไว้ในสามะคีซึ่งเป็นหลักธรรมสำหรับแสดงน้ำใจต่อกันระหว่างคนทั่วไปเ <också. S 1> มื่อหลักทั้งสองนี้ตรงกันจึงเหมือนกับพูดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนทั้งหลายเป็นมิตรต่อกันหรือปฏิบัติต่อกันอย่างมิตรนอกจากนี้ พึงสังเกตด้วยว่าบรรดาข้อปฏิบัติเหล่านี้การเอาตัวเข้าสมาคือทำตัวให้เข้ากับเขาได้ไม่ถือตัวร่วมสุขร่วมทุกข์กันนับว่าเป็นคุณธรรมสำคัญเป็นการเข้าถึงตัวอย่างแท้จริงซึ่งมีผลทางจิตใจและชักจูงความรู้สึกนึกคิดได้มากดังจะเห็นว่าท่านจัดมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ไว เป็นมิทะประเภทหนึ่งโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์หรือสมณะชีพราหมณ์ก็พึงทำหน้าที่เป็นกัญยานมิตรของชาวบ้านดังจะเห็นว่าหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ต่อกุลบุตรตามหลักทิศเบื้องบนตรงกับทุกข้อกับลักษณะมิท้ประเภทมิตรแนะนําประโยชน์จะว่าพระสงฆ์เป็นมิท้ ประเภทมิตรแนะนำประโยชน์ก็ได้แต่หน้าที่ของพระสงฆ์นั้นมีเพิ่มเข้ามาอีกสองข้อรวมเป็น6ข้อคือ 1. ห, ห้ามปามสอนให้เว้นจากความชั่ว 2. แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี 4. ให้ได้ฟังให้ได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังห้าชี้แจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง6กบอกทางสวรรค์สอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขหน้าที่ของพระสงฆ์นี้เป็นไปตามความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้าน ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายพราหมณ์าหาพดีคือชาวบ้านทั้งหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายเป็นผู้บำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวรบินทบาตเสนาสนะและคีลานปั จ, จัยเพศสัตวบริขารแม้พวกเธอก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พราหมข้าหาพดีทั้งหลายโดยแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ประกาศกรมอจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอย่าพรามข้าบดีเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายกระหัดและบรรพชิตอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤตอกรมอจารย์นี้เพื่อมุ่งหมายจะสลัดเสียซึ่งโอคะเพื่อทำความจบสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการชนนี้ ผู้ครองเรือนและผู้ไรเรือนทั้งสองฝ่ายอาศัยซึ่งกันและกันย่อมบำเพ็ญให้สำริจซึ่งสัตยธรรมที่เป็นโยค่าเกษมอันยอดเยี่ยมและมีพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งยืนยันการช่วยเหลือเกือ้อกูลแก่ชาวบ้านโดยทางที่ชอบธรรมว่าถูกอย่างนั้นในบ้าน ตถาคตสันเสริญการเอื้อเอ็นดูสันเสริญการช่วยรักษาสันเสริญการอนุเคราะห์แก่สะกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายยังไรก็ตามความเป็นกัลยาณมิตรของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆทางธรรมด้วยเมตตากรุณาแก่ชาวบ้านดังกล่าวมานี้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 ดูก่อนภิกษุการถูกมนุษย์จับไว้เป็นฉไฉน์กล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คลุกคลีกับข้ารืหัดทั้งหลายเรื่นเริงด้วยกันโศกเศร้าด้วยกันเมื่อเขาสุขก็พลอยสุขไปกับเขาเมื่อเขาทุกข์ก็พลอยทุกข์ไปกับเขาเมื่อเขาเกิดกิจธุราขึ้นก็เข้าจัดแจงคือเจ้ากี้เจ้าการด้วยตนเอง นี้เรียกว่าถูกมนุษย์จับไว้สำหรับในเรื่องนี้บาลีในบางแห่งเรียกว่าเกิดสันทวะในบ้านบางแห่งเรียกว่าติดอยู่ในบ้านเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสั่งสอนโดยตรงกัญยาณมิตรควรดำรงอยู่ในหลักปฏิบัติที่เน้นความบริสุทธิ์ ความมีเมตตาและความจริงใจต่อไปนี้ด้วยหลักปฏิบัติหมวดแรกเรียกชื่อว่าธรรมเทศกะธรรมแปลว่าธรรมะของผู้แสดงธรรมมีห้าประการจับความได้ดังนี้หนึ่งอนุปุพิกถาสอนให้มีขั้นตอนถูกลำดับ คือแสดงหลักธรรมหรือเนื้อหาตามลำดับความยากง่ายลุ่มลึกมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับ 2. ปริยยัติทาวีจับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผลคือชี้แจงให้เข้าใจชัดในแต่ละแง่แต่ละประเด็นอธิบายยากเยื่องไปต่างๆ ให้มองเห็นกระจ่างตามแนวเหตุผล 3. อนุทยตาตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดีคือสอนเขาด้วยจิตเมตตามุ่งให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับคำสอน 4. อนามิสันดอนไม่มีจิตเพ่งเล็งมุ่งเห็นแก่อามิต คือสอนเขาไม่ใช่มุ่งที่ตนจะได้ลาบสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนห้าอนุ ป, ปหัดวางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่นคือสอนตามหลักตามเนื้อหามุ่งแสดงอัถะแสดงธรรมะไม่ยกตนไม่เสียสีข่มขี่ผู้อื่น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 ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ไม่บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุใดแลยอมแสดงธรรมแก่ผู้อื่นโดยมีจิตคิดอย่างนี้ว่าธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติบรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการควรเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจ อันวินยูชนพึงรู้ได้จำพาะตนขอให้คนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรารั้นฟังแล้วพึงเข้าใจธรรมะทั่วชัดและครั้นเข้าใจทั่วชัดแล้วพึงปฏิบัติเพื่อเป็นเช่นนั้นเถิดดังนี้เธอย่อมแสดงธรรมแก่คนอื่นๆเพราะอาศัยความที่ธรรมะเป็นธรรมะดีเพราะอาศัยความกาวดุนเพราะอาศัยความเอื้อเอ็นดู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 ดังข้อปฏิบัติต่ตอไปนี้ 1. แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี 2. สอนให้เข้าใจจำแจ้ง 3. สอนศินละปะวิทยาให้สิ้นเชิง 4. ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ 5. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศคือสอนให้ใช้ความรู้ทำงานได้จริงสามารถใช้หาเลี้ยงชีพเป็นอยู่ได้คุณสมบัติของกาลยนานมิตรที่ควรย้าไว้ในตอนท้ายมีสองประการซึ่งอาจจะถือว่าเป็นคุณสมบัติของกาลยนานมิตรอย่างเลิศคือความเป็นผู้กระทำได้จริงในสิ่งที่สอนแก่ผู้อื่น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 ให้ตั้งอยู่ในคุณความดีอันสมควรก่อนจากนั้นจึงค่อยพร่ำสอนผู้อื่นบัณฑิตไม่ควรมีข้อมัวหมองถ้าพร่ำสอนผู้อื่นชั้นใดก็ควรทำตนชั้นนั้นคำเตือนอย่างนี้โดยมากเพ่งไปในด้านความประพฤติคือเรื่องความดีความชั่วแต่ในด้านการบรรลุผลสำเร็จทางจิตและปัญญา ถ้าได้ผู้บรรลุแล้วมาเป็นกันลยาณมิตรก็ย่อมเป็นการดีเลิศถ้าไม่ได้ก็พึงหาผู้ก้าวหน้าไปไกลกว่าหรื อ, อยังน้อยเสมอกันดังพุทธพจน์ที่กล่าวมาแล้วเราบุคคลผู้เป็นเพ้หูสูตรส่งความรู้ตามตำราหรือตามที่เล่าเรียนมาบางท่านชี้แจงสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติบรรลุทำได้โดยที่ตัวผู้สอนเองหาบรรลุไม่ พรหูสูตรเช่นนี้ท่านเปรียบเหมือนนายโคบาลผู้เลี้ยงโคของคนอื่นได้แค่นับจำนวนโคแต่ไม่มีส่วนได้ลิ้มเบนจากโครถหรือบางคราวผู้มีภูมิธรรมเสมอกันมาสนทนาสอบค้นธรรมะด้วยกันแล้วเลยพลอยบรรลุผลสำเร็จไปด้วยกันคุณค่าหรือประโยชน์ที่สำคัญด้านหนึ่งของความารระะามีกัลยาณมิตร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 หรือวิธีการที่จะทําให้การปฏิบัติง่ายขึ้นหรือมีทางลัดมากขึ้นกัรลยาณมิตรที่ได้บรรลุผลการปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้วย่อมอํานวยคุณค่าหรือประโยชน์ที่กล่าวมานี้ได้เต็มที่ทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดศรัทธามีกําลังใจแรงกล้าจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ควรจะเพ่งหวังกัรลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์เช่นนี้ก่อนส่วนความเป็นอิสระ มองได้สองด้านด้านความเป็นอยู่หรือระบบการดำเนินชีวิตและความเป็นอิสระภายในจิตใจความเป็นอิสระนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนอย่างที่กล่าวแล้วเกี่ยวกับภิกษุผู้คลุกคลีกับคาริหัสข้างตน้นผู้ที่ติดอยู่ในเครื่องผูกมัดจองจำอย่างเดียวกับเขาหรือวหาวนดิ้นรนอยู่ในกระแสน้าเชี่ยวในเกลียวคลื่นเดียวกับคนอื่นแม้แต่ตนเองก็ยังช่วยไม่ได้ จะช่วยปลดเปลื้องหรือรือร้อถอนผู้อื่นขึ้นมาได้อย่างไรคนที่ติดอยู่ในระบบที่ผูกรัดของสังคมดินรนแสวงหาสิ่งต่างๆตามแนวทางเดียวกับคนอื่นๆด้วยค่านิยมอย่างเดียวกันมีปัญหาบีบรัดกดดันทางด้านความเป็นอยู่การอาชีพของตนและครอบครัวดินรนเพื่อความอยู่รอดเฉพาะตนและจำพาะครอบครัวของตนเหมือนกันกับคนอื่นๆ เมื่อสังคมเกิดปัญหายอมยากที่จะมีเวลามีความคิดมาอุทิศให้แก่การไถ่ถอนคนอื่นๆหรือที่จะนำผู้คนออกไปสู่แนวทางใหม่ๆได้เมื่อพยายามทำก็มักเข้าแนวที่ว่ากันว่าพายเรือเวียนวนอยู่ในอ่างยิ่งเมื่อมีทั้งระบบความเป็นอยู่ทั้งจิตใจล้วนไม่เป็นอิสระทั้งสองอย่างก็ยิ่งประสบความสาเร็จได้ยาก ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระบบสงให้เป็นชุมชนอิสระมีความเป็นอยู่หรือระบบการดาเนินชีวิตเป็นอิสระจากระบบของสังคมใหญ่ดังจะเห็นได้จากวินัยที่เป็นเครื่องจัดระบบแบบแผนของสงเมื่อมีระบบชีวิตความเป็นอยู่เป็นอิสระด้วยและมีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นพื้นฐานด้วยก็จะทาให้สง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 ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นหลักแสดงจัญญาบันของนักบวชความว่าบรรพชิตไม่พึงเที่ยววุ่นทำไปทุกอย่างไม่เลือกไม่พึงเป็นคนของคนอื่นไม่พึงอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่และไม่พึงเอาธรรมะมาค้าขายไม่พึงเที่ยววุ่นทำไปทุกอย่างไม่เลือกปลาจากนวายเมยยสัพพะทา ปลาตามรูปศากว่าไม่พึงพยายามในที่ทั้งปวงหรือในเรื่องทุกเรื่องอัตถกถาไขความว่าไม่พึงพยายามในความชั่วทุกอย่างเช่นทำงานเดินข่าวเป็นคนสอนแนมเป็นต้นเหมือนอย่างพวกราชบุรุษไม่พึงเป็นคนของคนอื่นคือไม่ควรเป็นคนรับใช้หรือลูกน้องของใคร เรื่องนี้สรุปได้ด้วยพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นกันลยาณมิตรสูงสุดซึ่งทรงประกอบด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอย่างเลิศครบทั้งสองข้อคือทรงทาได้จริงบรรลุผลสาเร็จในสิ่งที่นำมาสอนแล้วด้วยและทรงมีความเป็นอิสระหลุดพ้นทั้งจากระบบของสังคมที่แวดล้อมอยู่และทั้งจากกิเลสที่ผูกมัดสุมรุมอยู่ในจิตใจ ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปถุมดอกบุญจริกเกิดในน้ำเจริญในน้ำแต่ตั้งอยู่ลอยพ้นเหนือน้าไม่ถูกน้ำฉาบติดชั้นใดตถาคตก็ชั้นนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกแต่เป็นอยู่ลอยเหนือโลกไม่ติดกลัวด้วยโลกดูก่อนว่าหุนนะตถาคตสลัดออกได้แล้วไม่เกาะเกี่ยวหลุดพ้นแล้ว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 เปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกเกิดในน้ำเจริญในน้ำแต่ตั้งอยู่ลอยพ้นเหนือน้ำไม่ถูกน้ำฉาบติดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงตื่นเองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อปลุกให้ตื่นทรงฝึกพระองค์เองแล้วจึงทรงแสดงธรรมเพื่อความฝึก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 ข้อนี้มองในแง่สิ่งที่สอนซึ่งสมความจริงหรือเป็นอย่างนั้นจริงยืนยันได้มีแก่นสารไม่เลวไหลนำไปปฏิบัติได้ผลไม่เป็นหมันไม่เป็นโมคะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติได้จริงทำแค่ไหนอย่างไรก็ได้ผลสมกับการกระทาและองค์ประกอบที่เป็นเหตุปัจจัยนั้นๆ ในเรื่องนี้ท่านหมายเหตุไว้ว่าพุทธพจน์นี้บางทีแปลขัดกันแม้แต่ในพระไตรปิฎกฉบับแปลาภาษาไทยต่างเล่มก็แปลต่างกันทางที่ดีควรตรวจสอบความหมายกับบาลีโดยตรงในที่นี้ท่านอ้างอิงไว้หลายแห่งนะครับท่านผู้สนใจดูได้ที่หน้า616อย่างไรก็ดีถ้าไม่อาจหากัลยานามิตร ผู้ได้รู้เห็นผลประจักษ์เองแล้วผู้ทำได้จริงและเป็นอิสระจริงบุคคลพรหูสูตรที่สอนเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้เข้าถึงจริงนั่นแหละก็เป็นประโยชน์ได้โดยที่บุคคลพรหูสูตรนั้นเป็นเหมือนนายโคบานเลี้ยงโคให้คนอื่นหรือเหมือนคนตาบอดถือตะเกียงคนอื่นที่ตาดีลืมตาขึ้นแล้วก็มองเห็นสิ่งทั้งหลายได้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 แต่เมื่อถึงขั้นนี้ความสำคัญอยู่ที่ฝ่ายผู้ฟังคือองค์ประกอบฝ่ายภายในที่เป็นปัจจัยอย่างที่สองที่จะกล่าวเป็นข้อถัดไป